ต่อไปพากันตั้งใจทำใจให้แน่วแน่ทุกคนความสำคัญอยู่ที่จิตตวงเดียวเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจำเอา ไปเป็นแนวทางปพะพอฝึกปฏิบัติฝึกตนให้เป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนเราจะดีได้เพรา ะ, ราะอาศัยการฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วมันดีไปเองอย่าไปนั่งค้ำเอามือค้ำพื้นหวเอามือวางลงที่บนตักอย่ามองเมือไปที่อื่น ต้องมองตรงไปหาพุทธรูปนู่นในนั้นทําไมมันนั่งเอียงๆไง น, น, นั่งกลงๆอ่ะในน่นมันนั่งหันหน้าลงของนุ่งนั่งมากลงมาหน้าพุทธรูปสิเออนั่งมากลงหน้าพุทธรูปทุกสิ่งทุกอย่าง มันลงที่จิตนั่นหมดดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้ฝึกจิตร่างกายนี่เป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นเองอเมื่อจิตนี้บุญกุศลนนบันดาลให้มองเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแก่ความเจ็บความตายบีบคั้นไป ทุกวันทุกคืนไปมันก็เบื่อหน่ายธรรมดาคนมีบุญเนะี่ยเป็นอย่างนั้นเบื่อหน่ายอยากจะพ้นจากนามทรรูปธรรมอันนี้ไปไม่ต้องการยังมาเกิดซ้ำซากอีกต่อไปผู้ใดมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นละจึงสนใจในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตดวงนี้ ให้มันฉเฉลียวฉลาดขึ้นมันจะได้ปรุงได้วางธาตุสี่ขันธ์าอันนี้ไปเรื่อยๆ mm hmm. อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยถ้ามันเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คิดอย่างนั้นมันอยู่ในวิสัยที่บุคคลเราทำได้ mm hmm. อันคนที่ทำคุณงามความดีไม่ได้หมู่นั่นน่ะล้วนแต่มันไม่รู้แจ้งในกายนี่แหละมันหลงกลายนี่มันหลงกลายนี่ น, นึกว่ากายนี่เป็นของตนของตัวก็หวงเมื่อมันหวงอยู่ในกายอันนี้แล้วมันก็ไม่คิดถึงทางที่จะออกจาก รูปจากน้ําอันนี้เลยมันมันอะไรเนี่ยมันยินดีพอใจอยู่ในรูปในกายอันนี้บังเอิญบุญกุศลแต่หนหลังนั่นตามมาตกแต่งมารักษาดูแลให้มีสุขภาพอนามัยดีกินได้นอนหลับอย่างงี้นะมันก็ลืมลึกว่าตนไม่เป็นอะไรอะ่ะอย่างนี้ก็ติดอยู่ในความถุกทุกข์คราวนั้นนะ่ะนั่นเอง ไม่ไม่คิดที่จะถอนจิตนี้ออกจากทุกความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ต่อไปเพราะมันมองไม่เห็นทุกเห็นแต่วความสุขเห็นแต่วความสุขชั่วคราวแป่งั้นถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กก็เมาแต่เล่นเมื่อได้ มีจัดงานให้มีการเล่นหมอลสบคบงนัน อ, อะไรต่ออะไรเข้าก่อไปเพลินไปในหมอลสบคบงนันนั้นแล้วมันก็ไม่คิดที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นการที่พวกสามเณรน้อยมีศรัทธา ม, มา วันพระชาเป็นสามเณรในภาคฤดูร้อนอย่างนี้แสดงว่าสามเณรทุกรูปไม่เป็นคนหลงคนเมาอย่างนั้นไม่ติดอยู่ในการละเล่นต่างๆที่เขาจัดขึ้นยังสามารถคลายจากความสนุกสนานอ น, นั้นมาบวชอยู่ในวัดาศาสนายินดีรับ โอวาทําสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทอันนี้ก็น่าสรรเสริญเพราะว่าอายุก็ยังอยู่ในวัยเด็กวัยเล็กแล้วก็ยังมาฉันพรหตาหันคาบเดียว วันละคาบได้กับผู้ใหญ่นั่นแสดงว่าเล็กแต่ตัวแต่ใจใหญ่ใจอดทนอดทนต่อความหิวโหวยต่างๆนูนเนี่ยได้บุญหลายจริงๆนะธรรมนเนทุกโลกให้พิจารณาก็าเราอดทนปฏิบัติตามธรรมตามวินัย ประพฤติตามข้อสินเช่นวิการรโภคท่านห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อันนี้วันนี้ที่สำนักอรัญญิกาวาสคือเจนาสนะอยู่ในป่านี่เพื่อนิยมฉันข้าวกันแต่วันละขาบเท่านั้นเองไม่ได้ฉันสองขาบเหมือนอย่างอยู่ใน เมืองในานาสามเณรก็ยังสมัครใจมาฉันข้าวคาบเดียวกับพระสง์องค์เจ้าอันนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญมากเพราะว่ายังอยู่ในวัยเด็กวัยเล็กปานนี้ก็ยังมีความสามารถปฏิบัติตาม ทำสอนของพระพุทธเจ้าได้อืโดยไม่ย่อท้ออันนี้นั่นั้นการพากันอดทนไปสู้ไปอถ้ามันหิวโหวยขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นมาเป็นอารมณ์เต่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์แท้ๆพระองค์สวยแต่ของดีๆและเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชแล้วพระองค์ก็ ถือสานตุถีตามีตามได้ใครใส่บาตรให้อย่างไรพระองค์ก็ฉันอย่างนั้นนี่พระองค์ทำให้เป็นตัวอย่างของคนในโลกมาแล้วฉะนั้นพวกเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วความหิวนั้นมันก็จะหายไปเแต่อย่างนั้นพวกเราบวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้า เราไม่ได้บวชอุทิศ ต, ต่อใครนี่ต้องให้นึกอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้ทุกคนว่าเราบวชมาในอุทิศบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกเราก็อยากพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงได้ มาบวชถือเพศเป็นวันพระชิตดำเนินตามรอยบาทของ菩萨สดาษษษษษษษษด้วยความสมัครใจโดยไม่มีใครบังคับบัญชาเลยทางจิตใจไปได้ความสงบความเย็นใจมากมันก็อาจเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อหยุดการศึกษาวิชาทั้งโลกแล้ว ก็อาจจะหมุนตัวเข้ามาบวชในวัดวาสานาต่อไปยีกนี่อย่างนั้นไอ้สำหรับตามชนบทบันนอกเราก็ยากอยู่เรกพ่อแม่จะมีเงินส่งเสียให้เรียนขั้นมัธยมหรือขั้นอุ ด, ดมขึ้นไปอย่างนี้นะก็ยากอยู่เพราะว่าต้องใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนน การศึกษาวิชาทางโลกกลัวจะดาเนินไปได้กลัวจะสำเร็จปริญญาตรีขั้นปริญญาตรีนี่นะต้องใช้เป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนดังนั้นเมื่อหากว่าทางผู้ปกครองไม่มีเงินจะอุดหนุนอย่างนั้นมันก็จาเป็นต้องได้หยุดเรียนหยุดเรียนแล้วก็หันหน้าเข้าวัด บวชเรียนเขียนอ่านในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติฝึกตนไปทำให้กิเลสวาประธรรมความชั่วร้มันถอนตัวออกจา ก, กจิตใจของตอนก็เลยกลายเป็นนักบวชที่ดีไปก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปผห<ม>รับผู้มีบุญ อ่าผู้มีบุญหลายนี่ไะบวชเข้ามาแล้วไม่สึกหรอกบอเํเพ็ญภาวนาวจิตใจสงบได้แล้วความสุขเกิดจากความสงบแล้ ว, ลวมันก็ถือเอาวัดวัดศาสนานี่ะเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตจิตใจของตนมองไม่เห็นว่าจะไปพึ่งสิ่งภายนอกนั้นจะมีความสุขความสงบใจเย็นใจอย่างนี้มองไม่เห็นผู้ใด รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็บวชมาแล้วก็ไม่สึกเลยอ่าไม่สึกแล้วเพะมันเห็นทา ง, างความสุขความสงบแล้วนี้ผู้บวชเข้ามาแล้วยังมองไม่เห็นความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นมันก็อย่างว่ากิเลสตัณหามันก็ครอบงาเอาได้ถ้าผูใ้ใด ควกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุ ณ, คณเอาบุญคุณเป็นที่พึ่งในจิตใจอยู่เสมออย่างนี้นะกิเลสมันก็ครอบงาจิตใจไม่ได้เป็นพระเป็นเนรก็หรือพระเป็นเนที่อยู่อย่างมีความสงบระงับไม่คึกขนองไม่เพิดเพลินไม่มีมาอยางราสาไถด้วยอำนาจ ของกิเลสโดนบันดาลจิตใจอย่างน้นอย่างนี้ไม่มีผู้มีบุญมีกุนเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาศีลปฏิบัติตามพระวินยัยทำศีลในบริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็เป็นบุญกุศลอย่างสูงอยู่แล้วให้เข้าใจอืม แถมไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอีกทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปก็ยิ่งได้บุญมากกว่านั้นอีกบุญก็สูงขึ้นไปอีกแถมได้เจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้พิจารณาโดยอุบายเย็บคายให้เห็นว่าสัพสังขารทำทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างว่านี้แล้วจิตใจก็รวมลงไปไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรเช่นนี้ยิงย่งได้บุญหลายบุญยิ่งสูงยิ่งปัณณิษเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นการสั่งสมบุญณ์หรือการบำเพ็ญกุศลมันก็ต้องบำเพ็ญเป็นขั้นๆก้นไปอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะไปกระโดดไปภาวนาให้สําเร็จอาชวาไข่พิ้นไปแห่งกิเลสปัญนาะได้ทีเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้อเหมือนเราขึ้นบันไดไปถูที่นั่งที่นอนบนเรือนมันต้องย่างเหยียบขั้นที่หนึ่งก่อนอื่นทั้งหมดแล้วจึงก้าวไปขั้นที่สองที่สามต่อไปโดยลําดับจนถึงชานเรือน อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลจะเข้าถึงซึ่งความสงบอันยอดเยี่ยมที่ท่นที่ท่านเรียกว่านิรามิสสุขสุขไม่ได้อิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆในโลกนี่นะกว่าจะเข้าถึงความสุขอย่างว่านี่ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสุขขัข้วราวนี่แหละเช่นอย่างเราทําจิตให้สงบลงไปได้ ช่วระยะหนึ่งมันก็เป็นสุขอยู่สมควรอยู่แล้วนั่นนะ่ะแต่ขั้นจิตถอนออกมาความสุขนั่นก็หายไปอย่างนี้นะแต่เราเมื่อเราทาจิตให้สงบรวมลงไปหนึ่งลงก็เอาความสุข น, นั้นก็เกิดมาอีกเราเราอาศัยความสุขชั่วคราวนี่จนะเป็นกำลังวันนี้นะความสุขอันเกิดจากสมาธิภาวนา แล้วก็ความสุขอันเกิดจากรับประทานอาหารท้องไม่หิวร่าง ก, กายเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนช่วยให้ทำจิตใจให้สงบลงไปได้ถ้าหากว่าท้องมันหิวมากอย่างนี้จิตใจมันก็ปั่นป่วนมันก็ทำความสงบลงไม่ได้ดังนั้น ไอ้ความสุขเั่วคราวนี่นะถ้าบุคคลรู้เท่าใช้เป็นมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้อย่างเข้าถึงนิรามิต ส, สุขได้สักวันหนึ่งให้ได้ไม่ชาตินี่ก็ชาติตูไปอ่ oh. มันก็เป็นอุปนิสัยติด ต, ตามไปอย่างนั้นเลยเมื่อบินชีบรมีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วอมันกับโดนบรรดาลให้ยินดี ฝึกตรนทรมานตนอินดีทำความเพียรเพื่อให้ใจถึงความสงบระงับนี่เมื่ออินทร์ปรมีเกล้กล้าเขาแล้วมันก็หลุดจากความสุขพอประมาณยังกล่าวมาแล้วนั้นเข้าถึงนิรามิตสุขสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดเลยสุขอาศัยแต่ความสงบอย่างเดียวความที่จิตสงบเป็นหนึ่ง ไม่ก่อเกี่ยวกับรูปกับนามที่เป็นอริยหรืีเป็นอนาคตก็ดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีไม่กอเกี่ยวไม่ถือมันว่าเป็นของเราของเขา <c oughs> เช่นนี้นะถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าได้ระดับแล้วอย่างนี้ก็สามารถ ยัางเข้าไปสึงในรามิาสุขสุขไม่อิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดได้ตรงนั้นเรา จ, จะได้รู้ได้ว่าอืมความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แน่นอนความสุขไม่แปรผั น, นไม่ได้อิงอาศัยวัตถุสิ่งของจึงเป็นสุขอันยั่งยืนความสุขชั่วคราวนั้นมันอาศัยวัตถุสิ่งของ อาศัยอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อจิตใจชื่นชมยินดีกับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจน่าพอใจต่างๆแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสกับเรื่องนั้นๆไปช่วระยะหนึ่ ง, งนี่นะเช่นนี้แล้วไปๆมันก็ไอความสุขที่เกิดจากความยินดีพอใจในวัตถุ ต่างๆนั่นมันก็หายไปเมื่อวัตถุสิ่งของเรานั้นสูญหายไปแล้วความสุขแล้วมันก็หายไปด้วยกันอถ้ายกตัวอย่างใกล้ๆจิตตรงนี้อาศัยร่างกายอันนี้นะ่ะเพนอยู่บุญกุศลตกแต่งให้บุญสงค์รักษาโรคใครไข้เจ็บก็ยังไม่เบียดเบียนก็แล้วก็เป็นสุขละกินก็ได้นอนก็รับวันนี้พอ บุญกุศลโนนหลังนะ่ะมันน้อยลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี่ก็ขาดเครื่องบำรุงเรียบว่าเครื่องบำรุงคือบุญนั้นบกพ่องไปแล้วเมื่อก็เป็นบ่เกิดแห่งบุญแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เป็นลมอ่อนเพลียเหียใจเดี๋ยวก็ปวดท้องปวดท้องปวดส้นหลัง ปวดแขนปวดขาอะไรสารพัดรับประทานอาหารก็ไม่มีรถเท่าที่ควรหมนี่นะนี่แหละอามิสจุกสุกอาศัยวัตถุนะสุกอาศัยร่างกายอันนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหละให้พากันพี่นาดูเราจะมาชื่นชมอยู่กับร่างกายนี่อย่างเดียวไม่ได้เลย เดี๋ยวเป็นทุกข์ใหญ่เลยเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนลงจิตเนี่ยก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยบ้านี้เพราะว่าไม่คิดตึกว่ามันจะเป็นอย่าง น, นี้ถ้าหากว่าได้พิจารณาล่วงหน้าเสมอเสมอแล้วก็เมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนลงจิตก็ไม่ตื่นเต้นบ้านี้ก็มันรู้ธรรมดามานมนานแล้วเนี่ยก็ธรรมดามันมีอย่างนี้ ทำความรู้แจ้งมาเสมอเสมอแล้วอย่างนี้นะอันนี้แหละจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถึงแม้ จ, จะเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ตามเราก็ไว้ใจไม่ได้ชีวิตนี้นะเพราะชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยบุญกุศลที่เราทำมาตัแต่ชาติก่อนห้นหลัง ท่านพอบุญนั้นมันเบาบางมันน้อยลงไปแล้วร่างกายนี้ถึงแม้จะเป็นเด็กเป็นเล็กก็ทรงอยู่เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอ่าเสวยทุกขเวทนาต่างๆนี่ถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วนะหมดเก่านั้นน้อยลงแล้วอะ่ะร่างกายนี่ตั้งอยู่ไม่ได้เลยย่อมแปรปวนไป เมื่อบุญเก่าหมดลงจริงๆร่างกายนี่ตั้งอยู่ไม่ได้ลมหายใจก็หยุดการภาวนาก็ต้องพิจารณาอย่างนี้นะพรณาให้เห็นว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วจึงตายเนี่ยมันตายเพราะเหตุว่ามันหมดบุญให้เข้าใจอย่างนั้นบุญที่ทำมาตนชาติก่อนนู้นอ่ ะ, ะมันหมดลง อุปมาเหมือนอย่างบุคคลไม่รับประทานอาหารนี่แหละเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายแต่ว่าบุคคลที่หมดบุญนี่นะหมดบุญเก่านี่นะ่ะถึงแม้มีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่มันก็รับไม่ได้เลยรับประทานไม่ได้เลยรับไปก็ะืดชืดไม่มีรสมีชาตเลย คนบุญเก่าหมดลงแล้วนะมันเป็นงั้นเห็นแล้วมันถึงตายดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าชีวิตนี้อาศัยตั้งแต่อาหารอาศัยข้าวนา้ำมาหล่อเลี้ยงไว้ก็เป็นอยู่ไปได้ไม่ใช่นะอาศัยบุญเก่าที่ทำมาตนชาติก่อนด้วยอาศัยอาศัยข้าวนา้าโภชนาอาหารปัจจุบันนี้ด้วย สมทบกันเข้ามันถึงมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้ถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วแม่จะมีอาหารอร่อยสักเท่าไรมาบำรุงก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ประมาทไม่ไว้ใจในร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่าบุญเก่านั้นไม่ทราบว่าเราทำมามากน้อยเพียงใดเราก็รู้ไม่ได้แต่ชาติก่อนโนะ่น ระลึกชาติโนหลังไม่ได้ไม่ทราบว่าบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมันจะหมดลงเมื่อไรก็รู้ไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงต้องเตรียมตัวอยู่เสมอเสมอภาวนานึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เลยแต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าจะตายวันไหนอืม ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวอยู่เสมอไปทําความรู้ความเห็นอยู่ในใจเสมอเสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงจังนะอาศัยอยู่ทั่วข้าวนะนี่ต้องเตือนชนอยู่เสมออย่างนี้มันจึงไม่ตื่นเต้นเมื่อเวลาร่างกายมันวิบัติแปรปรวนมันจะแตกจะดับก็ก็เคยรู้มาแล้วเคยคิดมา เคยสอนตัวเองมาแล้วจะไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าร่างกายนี่มันจะต้องมีการแตกตับเป็นที่สุดไม่มีอะไรจะมาต้านทานได้เลยพิพจนารณาเสมอๆ เ, เลยมันจึงค่อยได้นะอาานานๆจึงพิจารณาทีหนึ่งนี่ไม่ทนนะัน่ะพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณความรู้ขึ้นในเรื่องความตาย หมายความว่างั้นรู้ชัดว่าคํำว่าความตายนี่หมายถึงธาตุสี่ขนันธ์นี่มันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันแตกสลายลงออกจากกันนี่คําว่าความตายเนี่ยเราต้องรู้อย่างนี้เมื่อบุคคลมาภาวนาเห็นว่าร่างกายสังขารอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้นะเวลามันจะแตกกรดับจิตมันก็รู้ว่า ธาตุสี่ขันธ์มันกำลังจะแตกกระดับอยู่ไอ้ไม่ใช่เราแตกดับเขาไม่มีเราไม่มีอยู่ในนี้ตัวตนไม่มีอยู่ในนี้เลยนี่มันก็เตือนตนสอนตนได้อย่างนี้แหละแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่สะดุ้งหวาดกลัวมันก็ปรงก็วางปะให้มันแตกมันดับไปตามเรื่องของมันการฝึกฝนจิตใจ ในพระพุทธศาสนานี่มันต้องให้สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้นะอย่าให้ย่าต่อกอยู่แต่ที่ที่เก่าเพียงแต่ภาวนานั่งภาวนาเนอะบริกรรมพุทโธพุทโธลงไปจิตสงบแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้น เ, เฉยๆไม่หัดคิดหัดนึกไม่หัดพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นอย่างนี้มัน มันในทางษษาพุทศาสนาพระพุทธเจ้าตัตว่าเป็นความประมาทอยู่ยังถือว่าเป็นความประมาทเพราะว่าเมื่อทําใจสงบระงับแล้วมันเป็นบันไดขั้นที่สองแล้วน ะ, ะที่จะ ก, ก้าวไปสู่ความสุขขันยั่งยืนเหมือนที่เมื่อเราจเจริญปัญญาเข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเี่จาจรนาแยกเนี้ย ธาตุสีข่ขันหน้านี่ออกจากกันดูแล้วมาถามใจตัวเองดูว่าตรงไหนที่ว่าตัวตนนัะมีอยู่ตรงไหนมันก็จะตอบตัวเองเลยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวตนอะไรสักอย่างประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่นานั้นแหละเมื่อเวลามันยังทรงตัวอยู่ได้นี่คันเวลาธาตุทั้งสี่แตกสามัคคีกันแล้วอันนี้ร่างอันนี้ก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้เลยแต่ต้อง แตกสลายออกจากกันเท่านั้นเองเมือ่อจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วธ <c oughs> าตุไฟกับธาตุลมนั่นน่ะดับไปก่อนเพื่อนเลยมันเป็นงั้นแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำนี่ก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะเมือ่อธาตุไฟไม่สามารถทำความอบอุ่นให้แก่ร่างอันนี้แล้วร่างอันนี้ก็มีแต่จะเน่าเฟย์ออปูพัง ไปเท่านั้นเองเมื่อธาตุลมไม่บำรุงร่างกายอ น, นี่อยู่แล้วร่างกายอันนี่ก็เคลื่อนไหวไปมาอะไรก็ไม่ได้เลยไอการที่เวลายังมีชีวิตยอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไปมาได้อยู่นี่นะก็เพาะอาศัยธาตุลมอ่ะลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงบ้างเบื้องต่ําลมในท้อง ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกอืมลมพัดไปตามตัวนี่แหละอันนี้นะทําให้เคลื่อนไหวไปมาได้วันนี้เมื่อความตายมาถึงแล้วลมเหล่านี้มันดับไปแล้วร่างอันนี้จึงเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยดัยงนั้นเก็พิจารณาร่างกายนะก็พิจี่นามันเห็นอย่างนี้แหละ เมื่อมันเห็นจริงอย่างนี้มันก็สิ้นสงสัยคําว่าเราว่าเขาว่าตวัวว่าตนมันก็สิ้นสงสัยลงไปเมื่อมันสิ้นสงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปร่างอันนี้อมันแปรปวนก็ไม่ยินร้ายมันเป็นปกติก็ไม่ยินดีพอใจมีใจเป็นกลางอยู่อย่างนั้นทําใจเป็นกลางต่อนามต่อรูปอันนั้นอยู่เสมอไป อืม um. ปรับปรุงใจนี้เป็นกลางอยู่นั่นแล้วก็มันก็ไม่ยึดถือในระหว่างน้ำก็ดีน้ำมาทําก็ดีรูปมาทําก็ดีมันก็ไม่ยึดถือแต่อาศัยนามทำรูปทำอยู่นั่นแหละแต่จิตมันไม่ได้นับถือไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะจิตมันถึงไม่เป็นทุกข์ทั้งที่อาศัยรูปน้ำมันไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่เป็นทุกข์ พราะมันไม่ถือว่าเป็นของเราอย่างนี้นี่มันต้องใช่อุบายสอนจิตนี่ไปเรื่อยๆสอนครั้งหนึ่งสองครั้งสามครัง้งไม่ฟังไม่ไหวต้องสอนไปเรื่อยๆสอนไปแทบทุกคืนเลย ถ, ถ้ากลางคืนได้มีโอกาสได้ภาวนาก็ น, นั่งสอนจิตตัวเองสอนตัวเองนั่นแหละพูดแล้วนะอ ก็ไม่ควรที่จะมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปกับเรื่องอะไรท่ออะไรอผู้ปฏิบัติธรรมได้สละความกังวลภายนอกมาหมดแล้วนี่ได้เข้ามาอยู่ในวัดอารามแล้วอย่างนี้นะแล้วก็จะมีจิตกังวลกับอะไรอีกอการงานในวัดเหรืออ้าวก็ทําแต่กลางวันนี่กลางคืนไม่ได้ทําอ่ะาจะไปกังวลกับไม่ทําไมก็ปล่อยมันไว้นั่นแหละก่อนนะอืม ก็ถึงกลางวันมาก็จึงค่อยทำมันกลางคืนนี่ก็พักห่อนร่างกายสังขารเมื่อเมื่อร่างกายพักผ่อนแล้วจิตก็พักไปด้วยแบบนี้น ะ, ะกายนั่งนิ่งนิ่งจิตก็ น, นิ่งด้วยเช่นนี้แหละการฝึกตนก็ต้องเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ให้เข้าใจพวกครามะเนน คอยพาการนึกถึงคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ให้กำเนิดเกิดเรามาแสนทุกข์แสนยากนะไม่ใช่ได้อัตภาพร่างกายนี่มาอย่างง่ายงายไปนอนอยู่ท้องแม่นั้นตั้งแปดเดือนเก้าเดือนแม่ต้องอุ้มท้องแสนรักหน่วงเดินไปเดินมาก็าลาบากระมัดระวังมันจะหกล้มท้องนี่มันจะไปกระแทกกับของแข็งเข้าลูกจะมีอันตราย นั่นผู้แม่ก็ต้องระมัดระวังอยู่เสมอเสมออย่างนี้นะให้คิดนะแม่นี่มีคุณต่อเรามากมายเหลือเกินมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรนะให้รู้ไว้เป็นพรหมยังไงมารดาบิดามีพรมวิหารสี ต่อบุตรมีเมตตามีความรักใครต่อบุตรอยากจะให้บุตรทิดาเป็นสุขมีกรุณาสงสารบุตรเวลาลูกได้รับความทุกข์ความเจ็บป่วยลำบากโดยประการต่างๆมารดาบิดาสงสารมากนี่ มาดิเมื่อเวลาลกูกชายลกูกหญิงได้ดีได้ดีดดมีลาบมียศมีเงินมีทองพ่อแม่ก็พอ ย, ยินดีด้วยไม่อิจฉาการรนลูกของตัวเองเมื่อเวลาลูกนั้นดื้อด้านทุกข์ทนทำความเสียหายให้แก่พ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่โกรธไม่เคืองถ้าโกรก ก, รก็โกรดนิดหน่อยแล้วก็หายไปนึกว่าอ๋อลูก น, อกน้องกันก็วางอุเบกขาลงไม่เอาเรื่องเอารากับลูกนั่นแหละแทนท่านจึงเรียกว่ามารดาบิดานี่เป็นพรมของบุตร น, น, นะนะให้พากันเข้าใจดังนั้นจึงสามารถเลี้ยงลูกใหญ่ได้ ถ้าหากว่ามารดาเบิดาไม่มีพรหมวิหารแธรรมสี่ประการนี้อยู่ในใจแล้วเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แน่นอนทีเดียวเพราะมันเลี้ยงยากเป็นเด็กเป็นเล็กนั่นไม่รู้เรี้ยงษาช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสติสัมปชัญญะพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ต้องดูแลอยู่ดทุกเวลา ลูกพกค้อมได้คานได้อย่างนี้กลัวลูกจะไปตกเรือนตกที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีอันตรายอันแม่นั่นต้องดูแลอยู่อย่างนั้น <c oughs> ต้องคิดให้เห็นนะพานั่นแหละกลัวเราจะใหญ่มาได้พานี่นะต้องแม่ต้องอุปการะอย่างเต็มที่เลยอ้าวบางทีเจ็บไข้ไม่สบายกลางคืนมันก็ร้องให้ อ่าสั่มออยออดยังไงก็ไม่หยุดหยุดไปกั่หน่อยหนึ่งนะพอดร้องไห้ขึ้นมาพ่อแม่น้อ น, นไม่หลับหมดขึ้นอ้าพ่อตัวแม่ก็อดเอาทนเอ า, เอาลูกของตนนออย่างนี้นะถ้าหากว่าพ่อแม่นีนขาดเมตตาแล้วโอ้มันร้องไห้ลำเละ ไม่ได้หลับได้นอนมาโกรธมาเต็มที่แล้วบีบคอให้ตายแล้วก็เราตายแล้วแต่ยังน้อยนูนะไม่ได้เกิดเจริญไว้ใหญ่โตมาฟันนี้แล้วนี่นหละให้พี่นาะให้ดีคุณของพ่อของแม่นี่มีมากมายอ่าดังนั้นเราต้องกราบเป็นเครือหันนะอืาต้องกราบพ่อแม่เป็นการตอบบุญแทนคุณท่าน เมื่อเรากราบท่านท่านอโหสิกรรมให้เราได้ลุ่มหลงประมาทพ่อแม่อย่างไรอ่าท่านก็อาโหสิกรรมให้ว่าลูกนี่รู้จักคุณโนของพ่อของแม่เคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็เลยอโหสิกรรมให้ทั้งหมดเลยที่ลูกได้ประมาทอืมอย่างนั้นทุกคนต้องให้รู้จักกราบพ่อกับแม่อย่าเป็นคนแข็งกระด้างกระเรีอง ความที่เป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองพ่อแม่สอนไม่ฟังอย่างนี้นี่เป็นบาปนะให้รู้จักไว้และพ่อแม่ก็ไม่ไม่ก็จะมีความอินดูกรณาลูกคนใดว่ายากสอนอยากดื้อด้านห้ามห้ามก็ไม่ฟังอย่างนี้พ่อแม่หมดอะไรตายยากเราได้บวชได้รเรียนเข้ามาอย่างนี้แล้วอย่าไปทําตนเป็นคนว่ายากสอนอยากอย่างนั้น พอเรายัางไม่รู้เรียงสาไม่รู้ผิดพูดถูกอะไรด้วยตนเองพ่อแม่เพื่อนเกิดก่อนเล่าเพื่อนรู้ผิดพูดถูกก่อนเล่าเพื่อนบอกว่าลูกแกทำนะอย่างนี้ไม่ดีเวนไม่ทาอย่างนี้นะอย่าพูดนะาอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็งดไม่พูดเช่นไปเที่ยวดา่าคนโน้นด่าคนนี้อะไรอย่างนี้นะไม่ดีถ้าพ่อแม่เตือนลนะ้วต้องรู้ตัว งดไม่ไปเที่ยวด่าใครพูดแต่คำดีๆงามๆต่อเพื่อนต่อคุ้งอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการที่เราบวชเข้ามาแล้วเราได้รู้ผิดรู้ถูกอย่างนี้อุปชาอาจารย์จะได้แนะนำสั่งสอนให้เข้าใจวิธีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนิมิตตังสาธุรูปานัง กะตัญโยกัตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักอุปการะท่านที่ทําแก่ตนมาก่อนแล้วและคิดตอบแทนอันนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีดังนี้อย่างนั้นไอเราผู้เป็นลูกเป็นหลานของพ่อของแม่ต้องมีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจ คือต้องนึกถึงอุปการะคุณของท่านที่ท่านได้อุปการะเลี้ยงดูเรามาดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะอ๋อท่านมีคุณต่อเราจริงๆท่านมีอุปการะเราถ้าท่านไม่มีตากรุณาเราก็ตายแล้วแต่ยังเล็ก ย, ยังน้อยนู่นอันนี้เราท่านเลี้ยงเรามาประคบประ ง, งมมาเราจึงได้ใหญ่มาปันนี้จะได้มาบวชมาเรียน อ่าวันนี้เราจะบวชล้วจะตั้งใจเรียนท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ในเวลาที่บวชอยู่แล้วต่อจากนั้นก็ถือเอาเวลาอันสมควรนั่งสมาธิภาวนา่ออพระสวดมนต์ไปการที่เราทำความดีฝึกตอนอย่างนี้นะก็ได้เชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณ ข้าเข้าพอ้อนน้ำนมขอ ง, ของมารดาบิดาได้พ อ, อเมื่อฝึกตนให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแล้วพ่อแม่เห็นเราผู้เป็นลูกนี่ผิดปกติไปจากแต่เมื่อยังไม่ได้บวชเมื่อเมื่อเมื่อยังไม่ได้บวชซุกทนดื้อด้านไม่รู้จักดีรู้จักชั่วอะไรอย่างนี้นะท่านเมื่อได้บวชได้เรียนมาแล้ว ได้ศึกออกไปแล้วเห็นลูกของตอนมีจริยามารยาทดีไม่ดื้อด้านไม่ทุกขทนพ่อแม่ก็ดีอกมีใจอ่าอันนี้แหละได้ชื่อว่าได้ตอบบุญแทนคุณท่านโดยการประพฤติคุณงามความดีการที่เมื่อเราจเจริญว้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่ เห็นแก่เล่นแก่กินเห็นแก่ความ ส, สรุกสนานตั้งใจทาการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มที่เพื่อให้ได้เงินทองเข้าของมาแล้วจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอบเมื่อท่านเลี้ยงเรามานเราต้องเลี้ยงท่านตอบให้คิดอย่างนั้นนะจำไว้ทุกคนหน้มบางคนมันไม่ไม่คิดอย่างนี้นี่ พ, พ่อแม่เลี้ยงใ ห, ให้ใหญ่โตขึ้นมาแล้ว เราลืมนึกถึงกุณูปาการะของท่านเราเสแสรหาแต่ความสุขส่วนตัวหาเงินหน้าทองได้ก็ใช้ใจ่ายหาแต่ความสนุกสนานส่วนตัวแทนที่จะแบ่งให้พ่อให้แม่ได้ใด้ได้สอยบ้างไม่เอาออย่างนี้แถมบางคนน่ะไปติดของเสพติดไปติดเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเนโรอินเงินทองหมดแล้วไปขอกับพ่อกับแม่อีกแล้วอืม พ่อแม่เอ็นดูให้ไปให้ไปไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดตัวเองก็ไม่มีปัญญาจะห า, าไปขอกับพ่อกับแม่อีกในที่สุดพ่อแม่ไม่มีจะให้แล้วเพื่อนก็ไม่ให้บางรายก็ถึงข้าพ่อข้าแม่ตายเมือ่อเมื่อมันหิวเฮโรอีนของเสพติดอันร้ายแรงเหล่านั้นมา พ, อ, พอแล้วมวงไม่เห็นว่าใครเป็นผู้มีคุณหรือไม่มีคุณ มองไม่เห็นเลยมีแต่ฆ่าลูกเบียวมันมีข่าวปรากฏมาเสมอเสมอแหละ <Okay. S 1> อ่าเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปลิเศพของเศพผิดให้โทษนับตั้งแต่บุรีนี่ขึ้นไปทีเดียวบุรีสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนหรือยามาโมนี่ แล้วกระทิงแดงลิโควิตันดีเมลของเสพตีดในโทษทั้งนั้นเลยอาผู้ใดไปดื่มบ่อยๆเข้าอย่างกระทิงแดงนี่มันติดแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วนี้นะอ่านั่นนหะไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วบางลายดื่มเข้าไปแล้วก็อ น, นอนไม่หลับมันทำลายประสาทให้เสียไปเสื่อมไปนี่ เรียกว่าปรสานหลอนนั่นแหละพวกขับรถขับลาพารถไปข่มไปชนต้นไม้ชนผู้ชนคนอะไรตายกันบ่อยๆอยู่ในมันกันเนื่องจากยาเ ม, มืา่เนื่องจากดื่มกระทิงแดงมากๆเข้าไปแล้วมันตาแข็งมันหลับในเห่อไปนิดหนึงก็เอาได้เรื่องแล้วขับรถขับลาเป็นอย่างนี้เลยโทษของ ของเสพติดนี่ทุกคนให้รู้ไว้อย่าไปแตะท้องมันเลยงดให้เด็ดขาดไปเลยแล้วเราจะได้มีชีวิตทีวาสดชื่นจะได้ทำกุศลคุณงามความดีสร้างบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าบุญบา ร, รมีจะเต็มบริบูรณ์ก็ขอให้พากันรักษาชีวิต ของตนให้มีสุขภาพอนามัยดีเว้นจากของสแสลงของทำลายอัจภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมไปให้บริโภคตั้งแตส่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นแล้วก็จะมีกำลังสามารถฝึกฝนอบรมตนในทางศีลทางธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา